คือไอ้ความที่เขาไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะอยากจะทําบุญแต่เผลอไปทําบาปเนี่ยนะเผลอไปทําบาปปรารถนาความเจริญเพื่อตนนั้นไปฆ่าคนอื่นเนี่ยนะปรารถนาความเจริญแก่ตนน้อมไปเพื่อการฆ่าคนอื่นนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปรารถนาความมั่งมีแล้วคดโกงผู้อื่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นปรารถนาแต่ความสุขผิดแต่กาเมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นปรารถนาให้ทุกคนมาจริงใจกับเราแต่เราหลอกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา เนี่ยนะปรารถนาให้ทุกคนพูดเพราะๆกับเราเราด่ากันทุกคนที่คบเราเนี่ยนะเนี่ยนะปรารถนาให้ทุกคนพูดแต่สิ่งที่มีไม่มีประโยชน์กับเราแต่เราเพอ้อเจอ้อให้เขาฟังทั้งวันเป็นต้นแล้วอถามว่าอะไรมันจะได้รับเพราะการทําผิดประเภทผิดวิธีการเป็นต้นนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเรื่องท้องเรื่องที่ปรารถนาคือว่าต้องการให้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แต่ว่าไอ e no สิ่งที่ตัวเองปรารถนากลับเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเลยนะไอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไหมอยากให้หมดอยากให้หมดอยากให้หมดแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนากลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับว่าต้องการลดรายจ่ายให้มากที่สุดต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุดทําไปทํามามันตรงกันข้ามรายได้ลดลงลดลงถึงที่สุดรายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาที่สุดไม่ได้ถ้าถามว่าจะเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีนี่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความ ไม่รู้เนี่ยนะไอความไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวร้ายมากที่ไม่รู้เนี่เกิดจากอะไรไม่มีไม่มีสุตะเนี่ยนะไม่มีทรัพคือสุตตะเนี่ยนะจริงๆแล้วเหตุผลที่เขาไม่เจริญเนี่ยเพราะเขาไม่มีสุตะเนี่ยนะเพราะเขาไม่ได้รับการแนะนำไม่มีสุตะไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยะเนี่ยนะไม่ได้รับคำแนะนำใน ธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ฉลาดต่อธรรมของสัตว์บุรุษเป็นต้นถามว่าเมื่อไม่ได้รับอะไรจะเกิดขึ้นก็เมื่อทําผิดผิดก็อย่างว่านะก็เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยนะว่าปรารถนาความเจริญแต่ทาเพื่อความเสื่อมตลอดเวลาทีนี้ต่อไปตรงกันข้ามอันนั้นปุตุชนนะปุตุชนในโลกโดยปกติวิสัยปุตุชนเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปุตตุชนทั้งหลายโดยมากเลย เดือดร้อนกันเนี่ยนะเดือดร้อนกันมากเพราะอะไรเพราะทำผิดนั่นแหละส่วนตรงกันข้ามภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้รับการศึกษาเห็นพระอริยเจ้าแล้วฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำในวินัยของ คุณธรรมของพระอเรียเจ้ามาเป็นอย่างดีเห็นคนเห็นสตัตบุรุษฉลาดต่อธรรมของสตัตบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมของสตัตบุรุษมาแล้วเป็นอย่างดีแสดงว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับโลกของการเรียนรู้โลกของการฝึกโลกะนะให้ความสำคัญกับครูอาจารย์การแนะนำการเรียนรู้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อเรียนรู้จนบริบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละเขาจะรู้จักว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรควรคบอะไรไม่ควรคบเมื่อเขารู้จักว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรคบไม่ควรครบเขาไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขารู้โทษเขาเสพแต่สิ่งที่ควรเสพเขาไม่ยอมคบสิ่งที่ไม่ควรคบเด็ดขาดเขาจะคบแต่สิ่งที่ควรคบ เมื่อเขาไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพเสพแต่สิ่งที่ควรเสพไม่คบสิ่งที่ไม่ควรคบคบแต่สิ่งที่ควรคบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็เสื่อมหายไปเนี่ยนะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็หมดไปสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ย่อมเจริญขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเขารู้จริง นันคนที่รู้จริงเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะ่าทยังไงจะรู้จริงเนี่ยนะให้ความรู้จริงในทุกสิ่งนั่นแหละเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแม้ทั้งสิ่งที่ทำให้ปุถุชนเป็นผาทะยักก็คือความจริงคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะอันหนึ่งเลยเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องสมาทานเนี่ยนะขอให้เรารู้ความจริงถึงความจริงอันนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ขอให้เราได้ฟังความจริงขอให้ได้รู้ความจริงมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่สําคัญสําคัญว่าขอให้เป็นความจริงน้อมไปเพื่อที่จะรู้ความจริงฟังความจริงจะยากจะง่ายไม่สําคัญสําคัญว่าขอให้รู้ความจริงขอให้เข้าใจความจริงเนี่ยนะพอาะรู้ความจริงเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างเช่นความจริงในโลกในวัตตะเนี่ยความจริงยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็น อนาตตาแล้วมันมีความจริงที่ยิ่งกว่านี้อีกไหมเนี่ยนะต้องเป็นคนที่ฝ่ายที่จะรู้ความจริงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใยที่จะรู้จริงเข้าใจความจริงเท่าใดนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะความ ส, สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรู้ความจริงเพราะการรู้ความจริงนี่แหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขต่อต่อไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราก็เลือกทางถูกเราไม่เลือกทางผิดแต่ไอัที่รู้ไม่จริงนี่แหละทําให้ เลือกทางผิดเนี่ยนะไม่ยอมเลือกทางถูกเนี่ยนะอย่างทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเราขอให้เรารู้ความจริงว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิมีโทษอย่างไรสัมมาทิฏฐิมีอุปการะคุณอย่างไรมิจฉาวาจมิจฉากัมมันตะมีโทษอย่างไร สัมมากรรมมันตะมีอุปการะคุณอย่างไรคือถ้าเราจําแนกแยกแยะรู้จริงทั้งมิจฉามุขทั้งสัมมามุขเป็นอย่างดีเนี่ยนะยังไงเราก็คงเลือกเจริญทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองฟังความจริงด้วยตรงนี้ก็เลยลําบากเนี่ยนะก็เลยเรียกคนบุญน้อยเนี่ยนะเพราะอะไรบางทีบางคนเขาบอกเขาบุญน้อยเพราะอะไรเพราะเขาตักบุญของเขาเอง เนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกเขาอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องเขาบนน้อยปัญหาว่าเขาอ่านไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่อ่านเนี่ยนะเขาบอกไม่อ่านเนี่ยนะแต่ว่าไอ้เขาปิดโอกาสแห่งความเจริญให้แก่ตัวเองไม่เปิดโอกาสแห่งความเจริญให้แก่ตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยนะก็เลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ต้องการความรู้จริงด้วยเนี่ยนะพเขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรมีโทษไม่มีโทษก็เลยเสือเอเส่อมเอาเสื่อมเอาเนี่ยนะถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้ผมก็เอาความจริง4ประการมาแสดงให้ฟังการยึดถือแล้วปฏิบัติในโลกนี้มีอยู่สประเภทด้วยกัน ธรรมะสมาทานแปล ว, ว่าการยึดถือแล้วเอามาปฏิบัต Al ินะนะยึดถือแล้วปฏิบัติมี4อย่างการยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลต่อต่ อ, ตอไปก็ทุกข์การยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันสําคัญว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วต่อต่อไปมันให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยนะการยึดถือแล้วประพฤติปฏิบัติในความจริงที่ปัจจุบันมันเป็นทุกข์ แต่ต่อต่อไปให้ผลเป็นความสุขการยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันนั้นเป็นสุขและให้ผลต่ อ, ต, อต่อไปก็เป็นสุขต่อไปด้วยเนี่ยนะก็แบ่งว่ายึดสมาทานยึดถือแล้วปฏิบัติเนี่ยนะยึดถือแล้วปฏิบัติแล้วก็ได้ว่าไอ้สุขปัจจุบันเนะี่ยหรือทุกข์ในปัจจุบันอ่าไม่สําคัญเท่าว่าอนาคตต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยนะสุดท้ายที่เราจะต้องรับคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะ มันผิดหรือมันถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาถูกใจปัจจุบันนี้ใช่ไหมแหมที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้มันถูกใจเหลือเกินมันดีเหลือเกินสมความต้องการเนี่ยนะถามว่าเอาตรงนี้ใช่ัหมเป็นเครื่องวัดไม่บัณฑิตทั้งหลายเขาเอาผลที่จะเกิดขึ้นต่อต่อไปในอนาคตเป็นเครื่องสํารวจตรวจสอบเป็นเครื่องวัดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผลของสิ่งนั้นคืออะไร เขาจะใส่ใจว่าปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรคือในหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญว่าปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลปัจจุบันผลกับอดีตเหตุมันอดีตเหตุนํามาซึ่งปัจจุบันผลปัจจุบันผลนําไปซึ่งปัจจุบันเหตุนําไปซึ่งอนาคตผลมันปัจจุบันนี้แบ่งเป็นเหตุกับผลผลได้ที่เรากําลังรับปัจจุบันกับเหตุที่เรากําลังทําในปัจจุบัน ผลที่เราได้รับปัจจุบันมาจากเหตุอดีตแต่เหตุที่เราทําปัจจุบันจะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนกับการเพราะปลูกข้าวเนี่ยน ะ, มะเมล็ดข้าวที่เรากําลังบริโภคทุกวันเนี่ยเป็นผลผลิตของการเพราะปลูกมาจากปีก่อนๆแต่การเพราะปลูกในปีนี้เพื่อการบริโภคในปีต่อๆไปเนี่ยนะพันธอดีตต่เหตุปัจจุบั น, นผลปัจจุบั น, นเหตุอนาคตผลทุกขณะของชีวิตเป็นอย่างนี้ อย่างในทวารตาเนี่ยถ้าใครเรียนเรื่องวิถีจิตมาดีเนี่ยจกัจกขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะปัจจุบันผลชาวนะทั้งหลายเป็นปัจจุบันเหตุพวังทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลชาวนะในเป็นปัจจุบันเหตุตาหูจมูกลิ้นกายของเราทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลแต่สิ่งที่เราทำคําที่เราพูดในปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันเหตุ เพราะฉันตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายสีสันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นผลของอดีตแต่สิ่งที่เราทําคําที่เราพูดในปัจจุบันเป็นเหตุใหม่ที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาใฝ่เรื่องอะไรเป็นหลักเขาฝ่ายว่าผลที่เขาจะได้รับในอนาคตคืออะไรแล้วเขามาตรวจดูเหตุว่าเหตุที่ทําอยู่เนี่ยมันควรจะให้ผลอย่างไรคือเขากําหนดผลลับแล้วบางคนเนี่ยถือเอาเหตุ เหตุปัจจุบันเป็นหลักขอให้ฉันสบายอย่างเดียวเป็นใช้ได้พวกนี้จะไม่เกี่ยงว่าสิ่งที่ทำมันจะดีหรือชั่วถ้าคบคนดีก็ดีไปถ้าคบคนชั่วก็อันตรายแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาถือเอาผลที่จะได้รับต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าผลเนี่ยมันย่อมจะมีมากกว่าเหตุในโลกนี้ทุกเรื่องเลยเนี่ยนะผลจะมีมากกว่าเหตุเช่นเพรา ะ, มะเมล็ดพืชลงไปหนึ่งเม็ดไม่ได้แปลว่ามันให้ผล หนึ่งลูกเช่นปลูกมะม่วงหนึ่งเม็ดเนี่ยนะออกไปเนี่ยแล้วต้นอายุยืนห้าหกสิบปีเนี่ยนะประมาณสักเกือบสิบปีมันก็ให้ลูกแล้วใช่ไหมแล้วมันให้ลูกอีกสี่สิบปีเนี่ยนะแล้วผลมันเท่าไหร่จากมเมล็ดเม็ดเดียวที่เพาะลงไปเนี่ยนะมันหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเหตุล่ะแล้วเรากําลังเพาะ อ, อะไรอยู่เพมาะมะม่วงหรือว่าเพาะ อ, อะไรนะ เพราะน้ำเกลียงหรือว่าพ่ออะไรไอ้ต้นน้ำเกลียงเรียกว่าต้นคันเนี่ยนะว่าบางคนเนี่ยคันไปนั่งใต้ต้นนี้เดินเฉี่ยวต้นนี้ก็แพ้แล้วเนี่ยนะเราองเกสรเป็นต้นเนี่ยตกมาสายยางเหนียวมาใสา่ก็มีพระรูปหนึ่งท่านไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเดินไปเหยียบตอนต้นน้ำเกลียงก็คือมะม่วงพันุ์ประเภทนึ่งนะเหมือนมะม่วงถ้าคนตาไม่ถึงก็บอกโอ้นี่มะม่วงมางั้นะมะม่วงป่าแน่นอนน่าจะกินลูกได้ที่ไหนได้เนี่ยแหละ นะเดือดร้อนเนะี่ยถ้าแถวแถวจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีเยอะเป็นพิเศษเนี่ยนะแถวลุ่มน้ำโขงเนี่ยแถวลุ่มน้ำโขงแถวอุบลราชธานีเยอะมากเลยต้นประเภทนี้เขาจะเอามาทําเป็นกลองต้นมันโตมากเลยนะนะบางคนถ้าแพ้เนี่ ย, ยเดินผ่าเชียวๆไปแล้วนคะันแล้วเนี่ยนะแพ้แล้วก็บางคนเนี่ยเดินไปแล้วยางมันมาโดนนิดหนึ่งก็หนองเยิ้มเลยแหละมันเป็นเป็นครับ เ, นะเป็นกลุ่มต้นไม้มีพิษเนี่ยนะ เพราะนั้นเราก็ต้องแยกให้แยกให้เป็นว่าเหตุที่เรากำลังทำเนี่ยเพราะเมล็ดอะไรอยู่ควรจะเป็นความสุขหรือทุกต่อไปในอนาคตเพราะถ้าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อความสุขในอนาคตปัจจุบันนี้มันจะทุกข์ทนมันสุขก็ยินดีขอให้ต่อไปในอนาคตเป็นความสุขแต่คนผ่านทั้งหลายคนที่มีตาเดียวขอให้มันสุขในปัจจุบันอนาคตและค่อยแก้ไขกันอีกที น, นะ ปกตินิสัยของคนผ่านทั้งหลายขอให้มันปัจจุบันสําเร็จก่อนอนาคตช่างมันเนี่ยนะก็เหมือนกับคิดแบบวัยรุ่นนะนะขอให้มันได้ผัวได้เมียกันก่อนแล้วลูกก่อไปแล้วมันเลี้ยงตัวมันเองแล้วกันขอให้มันได้ครอบคู่ไว้มีคู่ไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วอนาคตแล้วมันไปหาทำมาหาเลี้ยงกินกันเองแล้วกันนั่นนะคือพวกนี้คิดถึงแต่อะไรปัจจุบันไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะมีต่อไปในอนาคตกายกรรมวจีกรรมของคนทั้งหลายก็เหมือนกันแค่ว่า มองแต่ปัจจุบันแต่ไม่สนใจว่าผลต่อไปในอนาคตแต่วิสัยของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขามองอนาคตแล้วค่อยมาคิดถึงเหตุปัจจุบันเขาคํานวณได้เลยว่าผลลัพธ์ในอนาคตคืออะไรเนี่ยนะวันนี้ก็เหมือนแบบจบวิชาคณิตศาสตร์มาดีเนี่ยนะวั น, นี้บวกลบคูณหารรู้แล้วว่าผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยมันคืออะไรจากเหตุปัจจุบันเนี่ย เขาดูจากอะไรเขาดูจากสถิติว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันมาจากเหตุคืออะไรบางคนก็บอกแม่เราต้องอายุมากๆ ก, ก่อนเราจึงจะมีประสบการณ์เราจึงจะเข้าใจบอกว่าบางทีมันไม่ได้ตรงอายุมากหรอกเพราะอะไรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดเขาบอกว่าวิธีการมันง่ายจะตายเด็กมันมีให้เห็นไหมปัจจุบันนี้มันมีตั้งแต่เด็กเพิ่งคลอดไปจนถึงโ น, น่นอายุเก้าสิบปีถ้ า, าเราอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเรียนให้มันหมดเนี่ยเราต้องไปลองเป็นก่อนแล้วค่อยรู้สึกใช่ไหม บอกโอ้ยจะต้องพิการก่อนไหมต้องไปประสบอุบัติเหตุก่อนแล้วเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนกนนะ่ะไม่ต้องหรอกผู้ที่มีตาดีเขาไม่ต้องรอไปเป็นแบบนั้นหรอกเพมันเขาก็ จากสิ่งที่มีอยู่เขาก็เพียงพอแล้วต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่ในโลกของต่างๆเขาก็เพียงพอแล้วที่จะเรียนรู้ว่าโ อ, อวัตตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละชาติชาราวมรณะมันก็มีเท่านี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหาทางออกได้อย่างไรเนี่ยนะแล้ทีนี้การหาทางออกถ้าหาทางออกสําเร็จก็เป็นความสุขอย่างเดียวแต่ทีนี้แล้ววิธีการปฏิบัติล่ะ ก็ต้องมากำหนดเหตุกำหนดผลให้ดีๆเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้ายากมากเลยนะที่จะกำหนดว่าอะไรคือเหตุแห่งสุขอะไรคือเหตุแห่งทุกข์งานของพวกเราก็นับว่ามีบุญมากที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยบอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขแล้วก็อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะนะทีนี้มาดูว่าในข้อสองอห้าห้าอยี่สเนี่ยนะนะหน้าสา้ยเจ็ดสิบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการยึดถือสิ่งเหล่านั้นการยึดถือสิ่งที่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจอวิชาเป็นคนโง่เนี่ยนะไม่เข้าใจชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราถือแบบนี้ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปว่าอันเนี้ยเป็นคือเขาไม่รู้เลยวันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยก็ทุกข์ต่อไปก็ยังให้ผลเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อํานาจความโง่ เข้าใจไม่ชัดเจนก็เลยเสพมันไม่งดเว้นมันกลับไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อต่อไปนี่ยนะ